b o ๊กทูสามสิบที่ร้านอาหารสองที u r a านอาหาขอนะ้ำแอปเปิลค่ะหนึ่งแอปเปิ a จ k ขอนะ้ำมะนาวค่ะ ขอน้ามะเขือเทศค่ะทอร์มตัดิฉันขอไวน์แดงหนึ่งแก้วค่ะย้ยวิลจ์เอร์าลัสร้ยินดิฉันขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วค่ะย้ยวิลจ์อลัสรีดินดิฉันขอแชมเปญหนึ่งขวดค่ะ คุณชอบปลาไหมคะลิเคดูฟิสก์คุณชอบเนื้อวัวไหมคะลิเคดูอุ้ k เซ t คุณชอบเนื้อหมูไหมคะล k เคดูสวินดิฉันต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ ดิฉ no e ันต้องการผักรวมหนึ่งชุดยิฉันอยากได้อะไนทีกใช้เวลาทำไม่นฉันอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นานฉันอยากไ้อะไรที่ใช้เวลาทำไ r ่นานฉันอยากได้อะไรที่ใ้เวลาทำไม่นานฉันอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นา คุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมคะคุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมคะรสชาติไม่อร์อยอารเชาดอาหารเย Det ikke godt. s m อ k ห r i เย็ e ชืดอาหารเย็นชืดอ a t e n เ r kall